ก็ก่อนจะนั่งภาวนาต่อก็จะบรรยายธรรมช่วงบ่ายเพื่อส่งเสริมความรู้นะช่วงบ่ายนีจะพูดถึงเรื่องของการอสติสมาธิและปัญญาไปใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อเช้าเราได้ยินคำหนึ่งว่าดวิภาวะก็คือการใช้ การมองสิ่งซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่เกิดซึ่งเกิดคู่มาด้วยสเสมอนั้นนะมันจะทำให้จิตเราเก่ะ อ, อยู่กับความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงได้ตลอดเวลาที่ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องอนี้ประการหนึ่งละแต่อีกประการหนึ่งก็คือว่าสติสมาธิและปัญญาที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นมันจะต้องได้จากการฝึกฝนอย่างที่พวกเรากาลังฝึกฝนอบรมกันอยู่นี่ และสติสมาธิพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันมีอยู่สี่ประเภทถ้าเราประโขงที่จะเอาแค่สมาธิเพื่อทิฏฐธรรมสุขะวิหารีหมายความว่าเพื่อให้มันอยู่เป็นสุขให้มันอยู่เป็นสุขกับขณะกับขณะกับเวลาในห่วงเวลาของประการหนึ่งประการหนึ่งเน่นะมันเป็นสมาธิที่ มันว่ากันมาแต่ก่อนพระพุทธเจ้าแล้วแหละมสมาธิประเภทนี้ก็คือเอาใจไปหยุดไปนิ่งไปอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งหลบหลบให้มันสกปสกปไว้เพื่อให้มันอยู่สบายสบายไม่ต้องไปรับรู้เรื่องราวอะไรมันก็จะมีวิธีการฝึกฝนเยอะแยะมากซึ่งสมาธิพวกนี้มีอยู่แต่เมื่อเมื่อพระพุทธเจ้าเริ่มประกาศสอนเรื่องของสมาธิ พระพุทธเจ้าจะเล็งผลไปถึงความเป็นเอกคตาจิตคือจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวว่ามันเป็นมันเป็นทางที่จะให้เกิดความสุขในปัจจุบันได้มากแต่เรียกว่าทิฏฐธรรมะสุขวิหารีเป็นสมาธิที่ฝึกฝนเพื่อให้มันมีความสุขในกับปัจจุบันนะมันจ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองอย่างอื่นช่างมันแต่ว่าเขาเรียก จะเอาแต่ปัจจุบันอย่างอื่นจันมันช่งมันจันไม่แคร์อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสมาธิแบบหนึ่งนะสมาธิแบบหนึ่งเป็นสมาธิที่เราปฏิบัติฝึกฝนเพื่อเอาสติสัมปชัญญะ น, นี้ก็มีก็มีอยู่สมาธิอีกแบบหนึ่งก็คือสมาธิที่ปฏิบัติเพื่อให้ได้ญาณทัศนะให้ญาณทัศนะเกิดขึ้นนี่ก็มีอยู่แบบหนึ่ง สมาธิอีกอย่างหนึ่งคือสมาธิที่ฝึกเพื่อให้เกิดการสิ้นไปของอาสวะอันนี้ก็อย่างหนึ่งแต่สมาธิในแนวที่พระพุทธเจ้าสอนให้เกิดเป็นสุสมาฮิโตจะได้ทั้งสามอย่างเข้าใจไหมสมาธิที่ทำให้จิตตั้งมั่นให้เกิดขึ้นเป็นสมาฮุสมาฮิโตนี้จะได้ทั้งสี่อย่างจะได้ทั้งสี่อย่าง เพราะในการฝึกสมาธิเราจะต้องเข้าใจให้ได้ว่าเราจะต้องตรงต่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ได้ก่อนนะมันจึงจะไปในแนวเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าสอนไม่งั้นมันจะเกิดแล้วมันจะเกิดเรื่องเยอะแยะมากมาย ซึ่งเรื่องต่างๆที่เกิดในสภาวะในจิตในขณะที่รูสมาธิล้วนมาจากสัญญาทั้งนั้นไม่ว่าแสงไม่ว่าสีสีเปลี่ยนไปแสงเปลี่ยนไปสัญญามันเปลี่ยนแค่นั้นเองอะแต่ว่าเราด้วยความด้วยความที่เราไม่ไม่รู้แล้วเราก็ไปตีความเอาเองว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโ น, น้นแล้วก็ไปประยุกต์ปรับใช้ แก้ไขปัญหาให้กับตัวเองแต่ในที่สุดเราก็เดิอนออกจากพระพุทธเจ้าไปทั้งๆ ท, ที่เราบอกว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเราเพราะฉะนั้นมันจะต้องแน่วแน่ต่อเส้นทางนี้ให้ได้พอแน่วแน่อย่างนี้แล้วสติสมาธิปัญญาที่เกิดมันจะต้องไปใช้อย่างไงในชีวิตประจําวันน่ะเอามันไปใช้บวกเลขได้ไหมไม่ได้ ใช่ขุดดินได้ไว้มันก็ไม่ได้มันจะต้องไปใช้ในเรื่องของอะไรเป็นหลักถ้าขุดดินอยู่อย่าทุจริตบวกเลขอยู่อยา่าโกงยืนอย่าคิดฆ่าใครเดินอย่าคิดโกงใครนั่งอย่านอกใจใครอย่าไประเบิดใครนอนอย่าไปมั่วสมไปคิดเบียดเบียนอะไรใคร สติสมาธิและปัญญาที่ฝึกอยู่ไปใช้ในชีวิตประจำวันก็คือว่าไปดำเดินการป้องกันไม่ให้ความชั่วร้ายเกิดขึ้นที่ใจของตนเกิดขึ้นที่ชีวิตในขณะที่เคลื่อนไหวเราจะขุดดินควันไม้บวกเลขซื้อหุ้นหรือว่าไปขายจิวเวอรี่ทบัญชี ทำอะไรงานโรงงานเนี่ยทำอะไรก็ช่างอะในระหว่างที่เราทำนั้นเราจะต้องไม่คิดโกงใครถ้ามันมีความคิดโกงคิดช่อฉนคิดทุจริตคิดเบียดเบียนคิดดังแกต้องหยุดความคิดอันนั้นให้ได้ไอตัวที่หยุดได้หยุดไม่ได้เนี่ยมันวัดกันด้วยอะไรด้วยสติสมาธิและปัญญา ถ้าเป็นนักปฏิบัติในเส้นทางของพระพุทธเจ้ามันจะต้องเห็นโทษและหยุดมันได้ถ้าเมื่อใดที่เราพ่ายแพ้ถ้าเราไม่เห็นมันเลยมันเกิดแล้วเกิดดีเกิดแล้วเกิดดีเกิดแล้วเกิดดีแล้วเราไม่เห็นมันเลยเราไอสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดว่าเราอย่างนั้นเราได้อย่างนี้เราได้อย่างงั้น <c oughs> ความเสียงแอมก็พอนะฮะเลิกคุยเลกกคุยว่าเนี่ยฉันปฏิบัติมาเก้าปีสิบปีแล้วฉันนั่งสมาธิมาตั้งแต่เป็นสาวแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ผมหอกจนย้อมมาหลายหลายสีแล้วเลิกคุยเพราะว่าอะไร มันวัดกันตรงอากูศลที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เคลื่อนไหวชีวิตแล้วเราดูตรวจเช็คง่ายๆในบ้านเรามีคนหนึ่งครอบครัวเรามีกี่คนสี่สคนเวลากระทบกับใครคนใดคนหนึ่งมีบ่อยครั้งไหมฮะเอาให้แน่ๆนะ เอาให้แน่ๆนะตัวที่ที่เราต้องรู้ให้ได้คือคือตัวภาษาภาษะทางตาภาษาทางหูภาษาทางจมูกภาษาทางลิ้นภาษาทางกายแล้วก็สัญญาตัวภาษาที่กระทบ แล้วเกิดความรู้จากการกระทบนั้นว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจให้สังเกตว่ามันเกิดการเคลื่อนไหวทางความคิดเป็นอย่างไร mm. ถ้าเรารู้อยู่ว่าไอ้ที่มันเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยสมมติความคิดเกลียดขี้หน้าเนี่ยไม่ชอบเลยเพอใกล้รู้สึกอึดังเกียจ อืมันขึ้นมาทันทีอย่างนี้นะรู้อยู่ไอ้นี่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ดีเลยมันก็วัดใจกันตรงนี้ว่าเราจะละลายมันยับยั้งมันหรือยังให้มันมีอํานาจยังให้มันมีอํานาจอยู่ที่ใจของเราก็หมายเพราะว่าเราพยายามหลบเลี่ยงพยายามจะหลีกพยายามที่จะไม่ได้ยินเสียงมันพยายามที่จะไม่เข้าใกล้มันพยายามที่จะไม่ได้กลิ่นมันพยายามที่จะไม่ให้ตาไปเห็นมัน ไปไปเห็นไม่ได้เห็นแม้แต่รองเท้าข้างเดียวมันยังรู้สึกขุนเครืองเลยถ้ามันจะพยายามหลีกเลี่ยงอยู่อย่างนั้นเอาไว้ไม่ไม่จะ ไ, ไม่ใช่แต่ถ้าเห็นปั๊บรู้เลยว่าความไม่ดีอกุศลนี่มันจะมันเคลื่อนไหวขยี้จิตเราอยู่นะตอนเนี้มันถึงตอนที่เราจะต้องเอาสติสมาธิและปัญญาที่เรามีอยู่ฝึกฝนอยู่อบรม อ, อยู่เนี่ยมาปลดเปื้องขยี้ละลายสลายให้มันหายไป เราสามารถที่ยิ้มกับภาษานั้นได้เราสามารถที่หัวเราะ ก, กับภาษานั้นได้เราสามารถที่จะสศกใจกับภาษานั้นได้และเราสามารถที่จะเข้าไปคุยสนทนากับสิ่งซึ่งมันเคยเป็นสิ่งที่ไม่ชอบนั้นได้ต้องประคองสภาวะที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในขณะนั้นโดยไม่ให้มันเป็นอกุศลและให้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของกุศลให้ได้อันนี้เป็นเรื่องราวของการใช้สติสมาธิปัญญามันไม่ใช่ ไปซื้อหวยให้มันถูกไม่ใช่ไปซื้อหุ้นให้มันได้มันไม่ใช่ไปขายของให้มันดีมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่อะไรทั้งหลายที่เราสเสวยหาและต้องการอ hmm. เพราะฉะนั้นแต่เราคิดว่าเรามาปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อให้ชีวิตของเราจเจริญรุ่งเรืองกาขายดี มีลูกกี่คนขายออกแต่งออกได้หมดอย่างงี้ถ้ า, ถาเรา ถ, าถ้าเราตั้งใจเพื่อปฏิบัติทำปฏิบัติเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นน่ะมันไม่ใช่ฮะคือถ้าอย่างนั้นเลยมันนอกทางของพระพุทธเจ้าต้องกล้ากล้าในทานที่จะเดินตรงเข้าหาพระพุทธเจ้าอย่างนี้ เออแรงไปไหมฮะไอของจริงเนี่ยมันแรงทุกทีอ่ะเวลาพูดความจริงนะมันกระกระแทกแล้วมันไม่ใช่ว่าไปกระแทกคนอื่นนะกระแทกเราคนฟังนี่แหละเพราะว่าเรามันรู้สึกว่ามันมันมีอีกหลายอย่างหลายอย่างหลายอย่างในชีวิตแล้วบางทีเราก็อาจจะคิดว่าเออหลวงพ่อก็พูด ไปเอาแต่ให้คนเทศแต่ให้คนควางนี่ไปนิพพานเทศแต่ให้คนควังหมดเลยกิเลสอย่างเดียวก็มึงเดือดร้อนเพราะกิเลสแลงวจะเอาไงเดอะฮะเออก็ที่มันเดือดร้อนกันอยู่นี่มันเพราะอะไรเออที่มันด่าคนไปทั่วไม่เว้นแต่ละวันมันเพราะอะไรเพราะอะไรเอื้อ ที่มันต้นกันไม่เว้นเนี่ยเพราะอะไรเออที่มันฆ่าพ่อฆ่าแม่เตะเพราะอะไรเออมีเมียอยู่แล้วแล้วมันไปแต่งงานซ้อนขึ้นมาเมียเอาเมียหลวงเอาเมียหลวงเอาใบทะเบียนจดรถไปโชว์นี่เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะกิเลสเออผัวไปกลับมาเมียฆ่าผัวไม่รู้จะเอาไปทิ้งไหนหันจบเป็นท่อนๆๆๆเอาผัวไปโยนแม่น้ําเพราะอะไรก็ยังหนีเรา ก็นี่แหละแล้วมันไม่พูดกันไม่รบรากับกิเลสและจะให้รบ ก, กับอะไรเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นคำตอบที่ถูกที่สุดแล้วว่าทำไมอาจารย์ที่พูดในเรื่องให้คนละกิเลสก็ทาางไม่ละกิเลสแต่ทำไมเป็นอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมด้วยเหตุนี้แหละสมุดฐานที่แท้จริงของสิ่งทั้งปวงพระพุทธเจ้าจึงสอนว่า นิพพานังปาระมังวันติพุท ธ, ธาพระพุทธเจ้าทุกองจะยกเป้าหมายอันสูงสุดก็คือนิพพานแล้วมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไกลมากไหมมันอยู่นี่เพราะใจเรามันมีสิ่งเคลื่อนไหวอยู่สองส่วนเป็นธรรมชาติทั้งคู่ธรรมชาติหนึ่งเรียกว่าอาสวะอีกธรรมชาติหนึ่งเรียกว่าบารมี ธรรมชาติที่เป็นอาสวะมันเคลื่อนไหวแล้วไปสุดอยู่ที่ไหนที่ทุกข์แล้วก็จมอยู่ที่ทุกข์มีอุปามีตัณหาอุปาทานและกรรมเป็นเครื่องไหลฉาบพารัดดึงให้มันแน่นหนาะอยู่กับธรรมชาติสายนี้ที่เราเวียนไวไ่ายต้เกิเดอยู่เนี่ยแต่ในขณะที่เราอยู่ด้วยธรรมชาติที่ชื่อว่าอาสวะเนี่ยไอ้ธรรมชาติที่เป็นบา ร, รมีมันยังอยู่ไหมไ ม, มันก็ไปด้วยกันธรรมชาติที่ชื่อว่าบา ร, รมีมันก็ทํางานของมัน ธรรมชาติที่เป็นคุณชาติเป็นส่วนธรรมะเส้นทางสายนี้พระพุทธเจ้าทำยังไงพระพุทธเจ้าแค่พยายามเรียนรู้สายนี้สายของอาสวะจนจบสายนี้แล้วท่านเดินออกมาสู่สายของบา ร, รมีแล้วในที่สุดท่านพบว่าในเส้นทางสายนี้มันไปนสุดอยู่ที่ความดับทุกข์เส้นทางสายนี้มันไปนสุดที่ทุกข์ มันแั่แค่นี้เองอ่ะไอ้สายนี้ไปสุดอยู่ที่ทุกสายนี้ไปสุดอยู่ที่ความตับทุกตึ้งตั้งสองสายมีอยู่ที่ไหนอ่ะในยูยูในใจของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าไปเจอที่ไหนไปเจอในใจของพระเจ้าเองนั่นแหละแต่ปรากฏว่ามันอัศจรรย์ที่ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าเจอนะ่ะมันมีอยู่ทุกใจใจไม่เว้นแม้กระทั่งของเราที่นั่งอยู่ตรงนี้อ่ะมันมีสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรรู้อยู่ถ้ามันไม่มี ยมปฏิบัติให้ตายมันก็ไม่ได้เข้าใจไหมแต่มันไม่มีตัวสมาสติยมนั่งให้เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีมันก็ไม่เกิดถ้ามันไม่มีสมาสมาธินั่งกันเป็นหมืน่นเป็นปีนั่งกันก้นเน่าก้นเปื่อยนอนขึ้นก็ไม่เกิดเพราะอะไรเพราะมันมีอยู่มันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แค่ปฏิบัติอย่างถูกต้องมันก็จะมีอนุภาพมีกาลัง ออกมาเพราะฉะนั้นในเส้นทางนี้เราอยู่ที่เราจะเดินในทางสายไหนแต่เรามาไหว้พระส่วนบนนั่งสมาธิแต่เราเลือกเดินในเส้นทางของอาสวะมันก็จะต้องทุกข์เดือดร้อนด้วยอํานาจของอาสวะนะั่นแหละแล้วเราจะมาพูดได้ไหมโอ้ยฉันไหว้พระทุกวันทุกวันนั่มาทุกวันทุกวันทุกวันทําไมบ้านฉันมันคอยมันถึงไห้ก็สามีมันกินเหล้าโมงไม่รู้เรื่องอ่ะมันก็จุดบุหรี่แล้วโยนทิ้งไปอ่ะมันทําไงอ่ะ แล้วจะเอาสติสมาธิปัญญาที่ไหนเราไปเฝ้าเพราะเหตุมันคือความประมาทแล้วไปโทษอีกทำไมเทวดาไม่คุ้มครองอ้าวเริ่มผ่านแล้วใช่ไหมอย่างนี้ผ่านยังผ่านแล้วไหวพระภูมิไหวเจ้าที่ไหวทุกวันทุกวันทำไมมันไม่ช่วยด้วยทำไมลูกค้ายัางเบี้ยวทำไมเช็คอย่างด้งอ้าวผ่านยังผ่านแล้วใช่ไหมอืม มันคนละส่วนกันนะถ้าดําเดินตามธรรมชาติที่ชื่อว่าอาสวะอย่างเดียวรับรองได้เลยสุดอยู่ที่ทุกข์ความรวยคืออะไรความรวยคือมีเงินเยอะใช่ไหมมันทุกข์มันทุกข์เห็นคนรวยยังเหอเห็นคนรวยยังใครรวยไปไหนทำไมไม่ตอบอะเห็นคนจนยังเห็นคนจนยัง ไม่ต้องมองใครหรอกมองเราเนี่แหละเป็นไงมันก็ทุกเหมือนกันแหละเพราะความรวยความจนไม่เกี่ยวเรื่องสุขเรื่องทุกความรวยความจนไม่เกี่ยวเรื่องสุขเรื่องก็เปรียบเทียบว่าตัวเราเองเนี่ยถ้าเรามีบ้านสักหลังทําด้วยทองคําทั้งหลังเลยห้องน้ําก็ทองคําก็ก็ทองคําอะไรก็ทองคําเป็นไงแค่มีแค่มีบ้านเป็นทองคําแล้วมันสุขไหม สุขเหไม่มียไม่เกี่ยวถ้าเดินในเส้นทางของธรรมชาติที่ชื่อว่าอาสวะมันจะไปสุดอยู่ที่ทุกข์อยู่ตรงไหนมันก็ทุกข์ถ้าเดินอยู่บนเส้นทางของธรรมชาติที่ชื่อว่าบารมีของคุณชาตินี้มันจะไปสุดอยู่ที่ความไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อเดินอยู่เส้นทางสายไหนถ้าเดินในเส้นทางของอาสวะทุกข์ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไหมเอา เอายกตัวอย่างว่าทองคําเนี่ยของดีมีค่าใช่ไหมอยากได้เยอะๆใช่ไหมเอาได้มาก้อนหนึ่งตั้งไว้บนบ่าทสายเป็นไงมังยังยังรับได้อยู่ถามว่าเอาอีกสองก้อนไหมองององตั้งบาทขวาอีกก้อนใส่ไว้ในกระเป๋าหน้าอีกก้อนยังรับได้ไม่โอ้ยอีกเยอะเลยโอ้ยเอามาผูกไว้ที่ตัวเนี่ยเก้าโลสิบโลยี่สิบโลามสิบโลเป็นไง ยิ่งเยอะมันก็ยิ่งหนักแล้วคนนี้เป็นคนที่รวยรวยแล้วเป็นไงอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันเลยในเส้นทางของอานสาวะยิ่งเดินมากยิ่งทุกข์มากแต่ในคำสบในคำนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องเข้าไปจัด ก, การสิ่งเหล่านั้นนะเพียงแค่ว่า ถ้าเราเดินในเส้นของคุณชาติเส้นทางนี้เส้นทางที่เจริญสติเนี่ยถ้าเราเดินในเส้นทางที่ยังถูกต้องตรงต่อส่ี่ผู้เจ้าสอนมันจะทำให้เราจัดการในเส้นทางนี้ได้อย่างถูกต้องโดยที่ไม่ต้องไปเป็นทุกข์แล้วตกลงจะเอาอยัางไงแต่ามาบอกว่าโอยท่านก็สอนแต่จะให้คนละออก็มันจะไม่สอนอย่างนี้ทำยังไงแล้วก็มึงทุกข์อ่ะ ใช่เปล่าเออมันมันก็ไม่ใช่อ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งแล้วเราเนี่ยมักจะพอเราไม่ตรงกับพระพุทธเจ้านะเรามักจะอะไ ร, ไ ป, ป ร, ป ร, ไ, ร, รไปดูโปรไฟล์เรียกว่าไปดูโปรไฟล์ของคนสอนเราจะต้องฟังเฉพาะคนที่ว่าผ่านสำนักนั้นต้องได้ข่าวว่าโห้เดินทุดงมาสามปีสี่ปีห้าปี ต้องมีอย่างนั้นต้องมีอย่างนี้ต้องอย่างโน้นต้องอย่างนั้นโอ้ยอยู่ในป่าอยู่ในดงอยู่ในเขาอยู่ในซึบนี่นูนนี่นี่ต้องอย่างนั้นเราได้ฟังอย่างนั้นได้โอ้ยรีบทําตามเลย <_ S 2> แล้วก็ถ้าใครคนไหนไม่ไม่เป็นอย่างนั้นไม่ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ว่าความน่าเชื่อถือคุณสมบัติบางสิเราไม่คอังเราก็ไม่เคยเชื่อ เพราะประเด็นพวกนี้ยมันเลยทำให้คนปฏิบัติโง่ทำให้คนปฏิบัติมัวแต่ไปหาอะไรหาสำนักหาอะไรเราก็ไปได้ไปเจอพอเราเริ่มมใสนับถือเสร็จเราก็ไปได้เจอวิธีการแปลกแปลกแผลงแผ ล, ลงจนทำให้เราปิดกั้นเราที่จะตรงต่อของพระพุทธเจ้า ความแปลกความแผลงมันจึงเกิดขึ้นเยอะมากในโลกใบนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดนะเกิดตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้แล้วเพราะว่ามันมาจากความไม่รู้ไงไอ้ที่แปลกแผลงเพราะว่าอะไรเพราะตนไม่ตรงต่อพระพุทธเจ้าเลยสภาวะที่มันปรากฏมันก็เลยไม่ตรงแต่ต้องหาอะไรต้องหาสิ่งกระทําต่างๆเพื่อให้มันเกิดเป็นการตลาดขึ้นมาบางครั้งก็เกิดด้วยอำนาจของความเชื่อบางครั้งก็เกิดด้วยอำนาจของ ความคิดย้ำทำย้ำเรียกว่าด้านจิตวิทยาก็เกิดไปเรื่อยๆแหละแต่มันไม่ตรงต่อพระเจ้าไงถามว่ามันผิดหรือถูกมันไม่มีการผิดการถูกอ่ะเพราะมันเป็นเหตุและเป็นผลที่จะต้องเกิดขึ้นตามลําดับต่อสิ่งที่กระทาแต่เรากําลังพูดถึงเรื่องคุณชาติคือเส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนคือถ้าตามที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันชัดเจนคือมันไม่ต้องมีเรื่องอะไรไปไป ไปกระเทาะหรือไปผูกหรือไปขันไปจิ้มไปแทะเพื่อให้มันเกิดเป็นอย่างอื่นอีกแล้วมันเลยทุกเพราะว่าอะไรดวยเพราะทุกอย่างพระพุทธเจ้าทําหมดแล้วเราแค่ทําตามแฉแฉแฉ ต, ตรงตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวแค่นั้นมันง่ายสุดแล้วจะไปทําตามวิธถอย่างอื่นอ่านสองเล่มสามเล่มนหนังสือนาองก็นอดิ บางทีอ่านจบไปสองสามรอบยังไม่เข้าใจเลยนะพระเจ้าบอกว่าโซสโตวัดสติสโตปัดสติมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าแค่นี้เราจะต้องไปอ่านหนังสือซึ่งขยายความเรื่องเหล่านี้สองสามเล่มขนาดนี้อ่านสองรอบสามรอบยังไม่เข้าใจ ทิ้งให้หมดแล้วมาดูประโยคที่พระพุทธเจ้าตรัสโซสโตวะอัตสติสโตปสติมันจะเข้าใจกว่าไหมแล้วซื่อสัตย์ทำไปตรงตรงต่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมันง่ายกว่าไหมง่ายกว่าบ่เอออันนี้คือเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่มันเป็นจริงไงเราไม่ต้องไปค้นฟ้าแล้วไม่ต้องไปหาแล้วว่าอะไร ต้องยังไงต้องยังไงมันจบหมดที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตต้องเอาสติสมาธิและปัญญาของเราที่ฝึกฝนไปให้เขามีบทบาทในชีวิตประจำวันอยู่ทุกๆ ก, การเคลื่อนไหวถ้าตราบใดที่เราเห็นว่าโอ้ย น, นี้มันไม่ถูกแล้ว ต้องให้สติสมาธิมีอำนาจในการที่จะยับยั้งสิ่งเหล่านั้นไม่ให้มันเกิดขึ้นและทุกวันนี้เราสังเกตว่าที่มันเคลื่อนไหวอยู่ทำก็เรียกว่าอะไรว่าโซเชียลนะทางเครือข่ายตามเน็ตเวิร์กตามต่างๆเขาพยายามที่จะขุดอะไรกันออกมา ขอพยายามที่จะขุดผลิตผลของอาสวะเป็นผลผลิตของอาสวะฆ่ากันตัดหัวเอาตัวทิ้งตรงนั้นลูกฆ่าพ่อพ่อแทงลูกคือเป็นผลิตผลของอาสวะ แล้วก็ย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกออกแล้วออกอีกช่องนั่นก็เอาช่องนี่ก็เอาคก็แข่งกันนะแข่งกันเพื่อให้คนเข้าไปทําไมแช่งแช่งแช่งแช่งทางไหนทางคอมเมนต์ไงโอ้โหมันใส่กันเต็มที่และแล้วเราเป็นเป็นประเภทไหนประเภทชอบเข้าไปอ่านใช่ปะ เราเป็นประเภทชอบเข้าไปอ่านไม่ไปดูคือไปอ่านแล้วก็จะรู้แล้วแหละว่าไงแต่ทั้งหมดมันเป็นการส่งเสริมให้อาสวะเจริญส่งเสริมให้เจ้าว่าอาสวะเจริญจะมีพระนักทีก็ต้องพระตกใจจับตาละปัดวิ่งตีหัวเพื่อนถ้าของพระมาออกนะอย่างอย่างนี้ไม่มีทางหรอกเพราะว่าอะไรว่าไม่ไม่เลยนะ อืมไม่สามารถแต่ว่าถ้าเป็นแบบพระอินเล่าขับรถเกิดอุบัติเหตุนี่สักพักนี้มันมีดังๆอยู่นะนะคือนั่งสวดๆๆๆแล้วก็เขามีเสียงธุ ด, ดังพระจับตละลปัตตกใจมือถันเอาตละลปัตตีคนอื่นดึๆๆ ๆ, ๆอ้ดังระเบิดเตือๆคือทุกอย่างเอามาสงเคราะห์ลงในสายของอะไร อาสวะหมดมันจึงจำเป็นที่จะต้องมาคุยกันถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนและเราควรจะปฏิบัติตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างไรแค่นั้นเองพอเรามีความรู้เราเข้าใจกันแล้วว่าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างไรปับ๊บเราก็ปฏิบัติไปตามนั้นผลมันก็เกิดมาตามนั้นแหละและวิธีจัดการต่อผลที่ปรากฏพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ชัดสมุทัยันจาง อะไรเกิดก็รู้ความเป็นจริงที่มันเกิดอะไรดับก็รู้ตามความเป็นจริงว่ามันดับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็ดับไปเกิดขึ้นตรงนั้นดับไปและสิ่งที่มันเกิดปรากฏในขณะที่เรานั่งเจริญสติไม่เห็นมันหลุดออกมาตั้งให้เราเห็นสักอันนึ่งมันก็เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับทั้งนั้นน่ะพระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้เอาสติสมาธิที่มีปรากฏอยู่ขณะที่เรารู้เห็นมันตามความเป็นจริงว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็มันดับไป ไม่ให้มันเป็นอำนาจของสัญญาหลงเหลือมาหลอกหลอนค้างคาอยู่ที่จิตพองเราไอ้อย่างนี้เนี่ก็จิตมันเดินออกมามันเดินออกมาอมืตรงๆแบบนี้มันง่ายๆมากเพราะฉะนั้นนี่ไม่หายห่วงเลยใช่ไหมห <laughs> เพราะเราไม่ได้เดินจงกรมนะ จริงๆต้องเดินรอบนี้ก็เลยขอเวทราบข้างบนข้างล่างนะมีผู้ร่วมปฏิบัติอยู่ชั้นสามชั้นสี่วันนี้ก็เยอะนี่มันบอกให้เห็นว่าพวกเรานี่มุ่งในการพัฒนาสติจริงๆภาวนามันไม่ใช่อะไรหรอกมันมีการพัฒนาพัฒนาอะไรพัฒนาสติสมาธิปัญญายิ่งปฏิบัติ สมาธิสติสมาธิยิ่งพัฒนาแต่ยิ่งปฏิบัติสติยิ่งถอยสมาธิอ่อนแอปัญญาตดถอยนี่เรียกว่าไม่กานะ้าหนาแต่ถ้ายิ่งปฏิบัติสติสมาธิปัญญายิ่งพัฒนานี่เขาเรียกว่าภาวนาภาวนาภาวิตาภูาริกตาอบรมให้มากทําให้มาก เนพร้อมนะตั้งกายให้ตรงเนี่ยพอพูดไปด้วยหายใจไปด้วยเออมันมันต้องถอดไน้นะอ้าพร้อมแล้วยังเมื่อเจ้าใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีนิดนิดนะ ให้เรารู้ลมหายใจก็สังเกตว่าเมื่อปึดถ่องตอนสุดท้ายก่อนที่จะเลิกเมื่อเช้านี่มันก็เกิดความตั้งมั่นแต่ละคนทุกคนเกิดหมดแหละแต่ว่าจะตั้งมั่นมากน้อยแค่ไหนก็นแล้วแต่เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะใช้เวลาเท่าเดิมก็ฟังเสียงนะเมื่อเมื่อเมื่อไปได้ระยะเวลาประมาณหนึ่ง เราก็จะทดลองใช้ปรับอย่ารีบร้อนในการปรับคือว่ารู้ว่าทุกคนปฏิบัติกันมานานแล้วรู้ว่าเออพอได้เป็นหนึ่งก็ไปดูเนื่อลมหายใจทูกเนื่อหายใจนะดูเนื่อลมหายใจดูลมหยุดดมไรเนี่ยว่าไปนะแต่เราสังเกตไหมนี่สำหรับคนที่ปฏิบัติมาต่อเนื่องนะเราสังเกตไหมว่าเวลาเราเห็นลมหยุดน่ มันเหมือนกับน่วงหนักและก็เหนื่อยมันไม่ค่อยเป็นธรรมชาติมากเพราะสติกับสมาธิมันอ่อนไปตัวเฉพาะสมาธิเนี่ยมันอ่อนไปวันนี้เราก็ปล่อยสบายๆเลยนั่งรู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าต่อเนื่องไปเรื่อยๆๆๆๆพอมันสหบไปได้สักประมาณหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตะมาจะคอยบอก แล้วเราค่อยเข้าไปสู่การศึกษาลมหายใจดูลมหายใจดูเนื้อลมหายใจที่ไหลออกตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมจนฉุดลมหายใจไออย่างอื่นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นปล่อยผ่านนะเราแค่เข้าไปศึกษาลมหายใจที่ไหลออกตั้งต้นลมกลางลมปลายลมเป็นลําดับไปแต่ตอนเนี้เริ่มต้นเนี่ยให้รู้ลมหายใจก่อนรู้ไปเรื่อยแน่วแน่ไปเรื่อยอย่าให้มีสิ่งใดไปประทุษร้ายอาณา เออคำนี้จำไว้ได้วยนะจำไว้ได้วยนะอย่าให้มีสิ่งใดไปปทุสรายอาณาถ้าพร้อมนะอา่าวทางกายให้ตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าเข้าสู่รู้ลมหายใจออกปรับลมหายใจให้สบายสบายไปก่อน ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ไปเรื่อยคําว่ารู้ลมหายใจไหลออกคือเราเฝ้ารู้อยู่นิ่งๆตัวรู้นั่นน่ะนี่สําหรับคนที่มาใหม่นะให้สังเกตในช่องจมูกมันจะอยู่เหนือริมฝีปากประมาณอยู่เหนือริมฝีปากในโพรงจมูกแต่มันไม่ลึกเข้าไปมากที่เรารู้สึกได้ ว่าเรารู้สึกตัวลมหายใจตรงไหนวิธีทดสอบก็คือหายใจเข้าให้สุดนี่สำหรับคนใหม่นะหายใจเข้าให้สุดหยุดลมหายใจไว้แล้วตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกแล้วค่อยๆปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาช้าๆพร้อมกับจิตที่คอยรู้สึกลมหายใจนั้นในบริเวณนั้น หลังจากนั้นก็หายใจเข้าไปอีกแล้วปล่อยลมหายใจออกมาช้าๆพร้อมกับรู้สึกต่อลมหายใจนะั้นดูสิว่าตรงไหนที่เรารู้สึกได้รู้สึกต่อลมหายใจได้ตรงไหนตรงนั้นแหละเป็นที่ตั้งของจิตรู้ของเราไอ้ที่ตั้งของจิตรู้นี่สำหรับคนใหม่ตั้งใจฟังเลสสำหรับที่ตั้งของจิตรู้คืออะไร ้าเมื่อตกี้เวลาเราเข้ามาในหมู่บ้านเข้ามาที่นี่หรือหมู่บ้านที่เราอยู่ขับรถเข้าไปถึงปับ๊บเราเจอเจออะไรเจอรอปภกับป้อมยามที่ตั้งของจิตรู้เป็นเหมือนป้อมยามรอปภนั่นเป็นเหมือนจิตรู้เวลาเราขับรถมาเนี่ยไอรอปภที่อยู่ในป้อมยามเขาจะรู้เขาจะเห็นรถไหนเข้ารถไหนออก เขาไม่ต้องวิ่งตามไม่ต้องวิ่งตามเขาก็รู้ว่ามันเข้าไปนานไหมยาวเข้าไปนานเข้าไปเร็วเข้าไปช้ามันรู้หมดมันนั่งอยู่ที่ป้อมยามนั่นแหละไอ้นั่นฉันใดเราก็เหมือนกันพอเรารู้สึกได้กับการกระทบของลมหายใจออกลมหายใจเข้าตรงไหนเราก็เฝ้ารู้อยู่ตรงนั้นก็ารู้อยู่ตรงนั้นนั้นหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้มันเป็นการรู้เรียนรู้ชีวิตของเราผ่านลมหายใจตรงนั้นน่ะเป็นชีวิตของเราทั้งชีวิตนลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้าก็รู้แค่รู้ลมหายใจไหล อ, ออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้า แนวแน่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้ว่ามีสิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่ไม่ปล่อยให้ใจไปหมกมุ่นชุ่มแช่อยู่กับสิ่งที่เกิดนั้นแค่ดึงใจกลับมารู้ลมหายใจ <c oughs> แค่รู้ลมหายใจออกแค่รู้ลมหายใจเข้าถ้าจิตมันหลุดไปรู้ที่กายอย่างอื่นก็แค่รู้ว่ามันหลุดออกไปกลับมารู้ลมหายใจอย่าพยายามทำให้มันรู้สองเรื่องสามเรื่องสี่เรื่องขึ้นมาให้เขารู้เรื่องเดียวถ้ามีสิ่งใดเกิดขึ้นมาก็แค่เข้าไปรู้แล้วก็ปล่อยไปให้มันแน่วแน่อยู่กับลมหายใจ บางคนก็จะถามว่ารู้ลมหายใจไปด้วยแล้วก็ไปรู้ตรงเขา่ารู้ตรงแข้งรู้ตรงกายส่วนอื่นด้วยได้ไห ม, มก็ตอบก็ได้แต่ว่าเราจะไปประทุสรายต่ออาณาของเราพยา น, นคำตอบก็คือไม่ควรไม่ควรไปใส่ใจในระยะแรกนี้ข้ารู้ลมหายใจอย่างเดียว กายสัพพะกำลังบริหารได้จัดการให้เข้าไปรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ <c oughs> เรามีแค่รู้ลมหายใจนะรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าข้วาวรู้อยู่ตรงที่มันรู้สึกได้ต่อลมหายใจออกต่อลมหายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ไม่ต้องมีคำบริกรรมใดๆ ลมหายใจที่ไหลออกบางครั้งมันยาวบางครั้งมันสั้นบางครั้งเวลาลมหายใจออกสุดมันมีความอึดอัดบ้างบางทีลมหายใจเข้าสุดมันก็มีความอึดอัดบ้างเราก็จะต้องปรับให้มันเป็นลมหายใจสบายสบาย ลมออกเป็นอย่างไรก็รู้ไปตามที่มันเป็นลมเข้าเป็นอย่างไรก็รู้ไปตามที่มันเป็นบางทีลมออกมันยาวลมเข้ามันสั้นลมออกมันสั้นลมเข้ามันยาวลมออกยาวลมเข้ายาวลมออกสั้นลมเข้าสั้นมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้เราเข้ารู้อยู่ที่เดียวอย่างนั้นสั้นก็รู้ไปตามสั้นยาวก็รู้ไปตามยาว นอกจากนั้นลมบางครั้งมันละเอียดบางครั้งมันแรงบางครั้งมันเบาเราก็รู้ไปตามนั้นแรงมันก็รู้ว่าแรงเบามันก็รู้ไปทั้งเบาละเอียดก็รู้ไปทั้งละเอียดหยาบก็รู้ไปทั้งหยาบยาบรู้ไปทั้งที่มันเป็นความรู้อยู่ตรงนั้น จิตที่รู้มีกำลังขึ้นลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ชัดเจนขึ้นนั้นต่อไปนี้นะให้น้อมใจก็ไปมีการใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อที่จะเข้าไปศึกษาศึกษาลมหายใจที่ไหลออกลมหายใจที่ไหลเข้า ให้เราน้อมใจของเรานี่แหละอย่าไปสงสัยว่าอย่างนี้แล้วมันจะได้สมาธิอย่างไรอย่างนี้มันจะสงบอย่างไรขอให้ทำเถอะน้อมใจเข้าไปเพื่อศึกษาลมหายใจตรงนั้นน่ะที่เราเฝ้ารู้อยู่นั่นแหละแต่ว่าใส่ใจเป็นพิเศษลงในรายละเอียดของลมหายใจ ตั้งแต่ต้นลมที่ลมหายใจออกเริ่มไหลมาที่เราเริ่มรู้สึกได้กับลมหายใจที่ไหลออกรู้สึกให้มันลึกซึง้งให้มันละเอียดเข้าไปว่าลมมันเป็นอย่างไรต้นลมเป็นอย่างไรรู้สึกสิกลางลมเป็นอย่างไรปลายลมเป็นอย่างไรสุดลมเป็นอย่างไรของลมไหลออก เ่าก็ใส่ใจแบบลึกซึ้งละเอียดเข้าไปดูที่ต่อมาเรียกว่าเนื้อลมหายใจจากนั้นดูลมหายใจเข้าซิตั้งแต่ตดลมเข้าไปซิใส่ใจโน้มใจเข้าไปเพื่อศึกษาลมเข้าเป็นละเอียดจนสุดจากนั้นเราก็ใส่ใจศึกษาในเนื้อลมหายใจที่ไหลออกอีก แลก็ศึกษาใส่ใจลมหายใจที่ไหลเข้าเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนอยู่ในหมดที่เราเข้นความใส่ใจเป็นพิเศษในลมหายใจให้มันละเอียดให้มันลึกซึ้ง ให้มันรอบครอบช้าๆลมที่เคลื่อนเข้ากับจิตที่เข้าไปศึกษารับรู้ตัวลมหายใจแต่เคลื่อนไปแต่ละขณะแต่ละขณะนั้นมันสัมพันธ์กัน มีความรู้เกิดขึ้นตั้งแต่ลมมันเริ่มเคลื่อนจิตก็ไปรู้ศึกษามันก็มีความรู้ทีละนิดทีละนิดที่เกิดขึ้นว่าลมเป็นอย่างนั้นลมเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เราเป็นผู้ไปกำหนดความรู้นั้นแต่เราใส่ใจในรายละเอียดของลมหายใจใส่ใจในรายละเอียดของลมหายใจเน้นจิตเข้าไปเพื่อศึกษาลมหายใจอย่างละเอียดและลึกซึ้ง ทุกครั้งที่มันจิตน้อมกาไปเพื่อศึกษารับรู้ลมหายใจมันก็เกิดเป็นความรู้เป็นผลขึ้นมาความรู้นั้นไม่ใช่เราไปกำหนดนะมันเกิดขึ้นเองตามการศึกษาการค้นคว้าการเรียนรู้ลมหายใจอย่างลึกซึ้งจิตที่ก็ไปสัมผัสรับรู้ลมหายใจอย่างละเอียด ันมันเป็นการศึกษาการค้นคว้ามันก็เกิดผลเป็นความรู้ทุกครั้งที่เข้าไปศึกษาเกิดความรู้ทุกครั้งที่เข้าไปเรียนรู้ศึกษาเนื้อลมหายใจเรียนรู้ลมหายใจออกตั้งแต่ต้นลมไปศึกษาไปเรียนรู้ไปศึกษาไปเรียนรู้ไปโน้มใจโน้มความตั้งใจทั้งหมดใส่ใจลงไปสู่เนื้อลมหายใจที่ไหลออกตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจ น้อมใจใส่ใจเทใจเข้าไป ส, quier, สู่ลมหายใจที่ไหลเข้าตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจเรารู้สึกดมหายใจอย่างลึกซึ้งรบอบครอบเกิดสภาวะอะไรเช่นจิตมันเย็นมันอิม่มมันอะไรต่างๆนั่นปล่อยผ่านไปก่อนอย่ารีบร้อน ศึกษาก็ไปสู่ลมหายใจอะไรเกิดขึ้นก็รู้รู้รู้รู้รู้รู้รู้แล้วก็ศึกษาลมหายใจศึกษาลมหายใจเรียนรู้ลมหายใจอะไรเกิดก็รู้ไว้แค่รู้ไว้แค่รู้ไว้รู้แล้วไม่เก็บรู้แล้วไม่จำรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อย ถ้ามันเมื่อยนะมันปวดแต่จิตยังศึกสาลมหายใจอยู่เราสามารถที่จะเปลี่ยนท่านั่งได้โดยที่จิตยังรู้ลมหายใจอยู่จิตยังรู้ลมหายใจอยู่แล้วเราเปลี่ยนท่านั่งด้วยสติช้าๆไม่ให้กระทบกระเทือนต่ออาณาของเรายังใส่ใจลมหายใจของเราอย่างละเอียดและต่อเนื่องแต่ว่ามันปวดจนปล่อยมันวางไว้ไม่ได้แล้วก็ขยับได้นะ แต่ถ้ามันไม่จำเป็นต้องขยับขยับก็อย่าไปขยับมันมันจะเสียนิสัยล ม, มหายใจออกรู้ศึกษาน้อมใจเข้าไปดูอย่างละเอียดละออลึกซึ้งกับลมหายใจบางทีมันแรงมันเบามันอุ่นมันร้อนถ้ามันเกิดขึ้นมีอาการใดๆเกิดขึ้นก็สามารถที่จะรับรู้ได้หมดนะ มันเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการที่เราน้อมใจเข้าไปเพื่อศึกษาลมหายใจเยน็ยนๆใจเย็นๆใจไม่ต้องรีบรเร่งไม่ต้องร้อนและก็ไม่ต้องไปกำหนดหมายว่าเราประสงค์ที่จะให้ลมหายใจของเราเป็นอย่างไรเขาออกมาแล้วเนี่ยเราศึกษาเข้าไปก็มีอาการเป็นอย่างไรก็รู้ตามนั้นแต่อย่าไปตะเกณเพื่อที่จะให้เขาเป็นอย่างไร การที่เราไปกําหนดกาเกณฑ์เพื่อที่จะให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยมันผิดธรรมชาติน้อมใจก็ไปเพื่อศึกษาเรียนรู้ลมหายใจของเราที่ไหลออกต้นลมกลางลมปลายลมถุดลมหายใจว่าเป็นอย่างไรมีอาการอย่างไร ช, ะชะ้าๆสบายๆ ทีนี้ก็ดูในขณะที่เราศึกษาลมหายใจอยู่พอลมหายใจออกแล้วปรากฏว่าลมหายใจมันหยุดมีความรู้สึกว่าไม่มีลมหายใจมันจึงจะเกิดลมหายใจเข้าขึ้นมาทีนถ้าใครรู้รายละเอียดในเนื้อลมหายใจแล้วหายใจออกแล้วปรากฏว่าร่างกายมันหยุดครือลมหายใจเข้ายัางไม่มา ก็ให้เข้าใจว่ามันมีลมหายใจหยุดมันมีช่วงหยุดของลมหายใจเราอย่าไปกำหนดให้เขาหยุดณตอนนี้แต่ถ้ามันเกิดสภาวะนี้ก็ให้รู้ว่าลมหายใจหยุด ก, ก็รู้ลมหายใจหยุดนั่นหยุดจิตรู้อยู่กับอะไรก็อยู่กับลมหายใจที่หยุดนั่นแหละ แล้วเมื่อลมหายใจเข้ามาก็รู้ลมหายใจเข้าเมื่อลมหายใจออกมาก็รู้ลมหายใจออกรู้ไปเรื่อยๆพอลมหายใจหยุดไม่มีลมหายใจเข้าไม่มีลมหายใจออกเราก็รู้ลมหายใจที่เขาหยุดแต่จิตที่เฝ้ารู้อยู่บริเวณ น, นั้นอย่าให้มันห่างจากที่ตั้งของจิตรู้ นิ่งอยู่ช่วงบริเวณใบหน้าโพรงจมูกแถบนั้นเพียงแค่ไม่มีลมหายใจผ่านก็ลมหายใจมันหยุดจริงๆมันไม่มีลมหายใจจริงๆเราก็รู้นิ่งอยู่อย่างนั้นพอลมหายใจออกมาเราก็รู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้ามาก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจมันหยุดเราก็รู้อยู่ตรงนั้น อย่าไปปรุงแต่งอะไรอื่นความรู้นิ่งอยู่ตรงนั้นแ่ะครองจิตให้มันเกิดเป็นความสับบไว้ก่อนรู้อยู่กับความสับบตรงนั้นเมื่อลมหายใจออกมาก็รู้ลมหายใจเข้ามาก็รู้รู้ไปเรื่อยๆพอลมหายใจหยดุดคือลมหายใจไม่เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกมันไม่มีลมหายใจเราปกเฝ้ารู้นิ่งอยู่ตรงนั้นอย่าไปอื่น อย่าไหลลึกลงไปข้างในอย่าไหลถลายออกไปข้างนอกความรู้อยู่ตรงนั้นในอย่างสงบตรงบริเวณที่ทั้งของจิตรู้แล้วนิ่งรู้อยู่ตรงนั้นมีความมีความสหุบนิ่งนั้นแหละเป็นอารมณ์พอลมหายใจมาก็รู้ลมที่หายใจออกรู้ลมที่ไหลเข้า เวลาลมหายใจมันหยุดจังหวะที่ลมหายใจมันหยุดให้อยู่กับความนิ่งนะอยู่กับความที่ลมหายใจหยุดนั่นแหละอยู่สบายๆนะอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปพยายามที่จะหาลมหายใจอย่าไปพยายามที่จะออกจากลมหายใจอย่าไปพยายามที่จะหาลมหายใจพ้ายามที่ลมหายใจเข้ามาเราก็รู้ลมหายใจเลยออก รู้ก็ไปชนิดที่เรียกว่าอย่างลึกซึ้งใส่ใจศึกษาคนกว่ารู้ไปเรื่อยๆสำหรับคนที่ลมหายใจยังไหลออกไหลเข้าเป็นปกติก็ใส่ใจศึกษาลมหายใจอย่างละเอียดและก็ลึกซึ้งลงไปเมื่อลมหายใจของเราต้นลมเป็นอย่างไรกลางลมเป็นอย่างไรความอุ่นความร้อนความหยาบความละเอียดความยาวความสั้นความแน่นหนาะความแผ่วเบาเป็นอย่างไร คือน้อมใจเข้าไปเพื่อศึกษาในเนื้อหาสาระรายละเอียดของลมหายใจอย่างนั้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่อยๆค่อยๆทําไปนะค่อยๆทําไปศึกษาไปแต่สําหรับบางคนเราก็ศึกษาไปแล้วทําไปแล้วมันเกิดว่าลมหายใจมันหยุดคือไม่มีลมหายใจไหลออกไม่มีลมหายใจไหลเข้าก่อนนี้จะทํำยังไงก็เฝ้านิ่งรู้อยู่ตรงนั้น รู้ตรงที่ตนเองความรู้ลมหายใจนั่นแหละค้ามนิ่งรู้อยู่ตรงนั้นไม่ต้องตกใจไม่ต้องไปเสวะงาไม่ต้องไปต้องการอะไรอกความนิ่งนั่นแหละเอาความที่ไม่มีลมหายใจไหลออกไหลเข้านั่นแหละเป็นอารมณ์ของจิตจิตค้ามรู้อยู่อย่างนั้นประคองให้เขาสบเป็นความวิเวกถ้าลมหายใจไหลเข้ามาก็รู้ลมหายใจไหลเข้าไม่ต้องไปดูรายละเอียดของเขาแล้วถ้าลมหายใจไหลออกมาก็รู้ลมหายใจไหลออก ตาคราใดที่ลมหายใจไม่ไหลเข้าไม่ไลยออกลมหายใจหยุดเราก็เฝ้ารู้นิ่งอยู่กับที่ลมหายใจหยุดนั่นแหละนิ่งอยู่แถวนั้นอย่าไปอื่นทำให้มันเกิดความชำนานอย่ารีบร้อน เวลามันเกิดความนิ่งคือลมหายใจมันหยุดขณะที่เราก็เฝ้าอยู่กับความนิ่งอยู่ตรงนั้นถ้ามันเหมือนว่าเรากําลังรอหาลมหายใจอยู่นะให้ดูความรอหานะ่ะมันเป็นเจตนาที่จะไปหาลมหายใจไอ้นั่นเลยเขาเรียกว่าเจตนาตัวนั้นคือตัวเจตนามันจะไปวิ่งหาลมหายใจ ให้รู้ไว้ว่าตัวเจตนาที่จะวิ่งไปหาลมหายใจคือตัวนั้นแต่มันมีความสงสัยว่าทําไมลมหายใจไม่มาทําไมลมหายใจไม่มีลมหายใจไปไหนแต่อย่างนั้นมันเปนความกระสับกระสายก็ไม่เป็นไรเราก็จะได้ลมหยาบกลับมาก็ทุกอย่างก็จะเริ่มต้นใหม่มันก็เหมือนลมแล้วลุกลมแล้วลุกขึ้นมาถ้าลมหยาบขึ้นมา ใส่ใจ er pues ในเนื้อลมหายใจต่อได้เลยนะเนื <Yes. S 2> ้อลมหายใจใส่ใจเข้าไปเลยโถมใจเข้าไปเอารายละเอียดเข้าไปดูลมหายใจดูรายละเอียดอย่างลึกซึ้งแงบคายว่าลมหายใจนั้นต้นลมเป็นอย่างไรกลางลมเป็นอย่างไรปลายลมเป็นอย่างไรอย่างลึกซึ้งลมเบาลมหยาบลมละเอียดมันอุ่นมันร้อนมันเป็นอย่างไรศึกษาเข้าไปศึกษาเข้าไปลมออกก็ศึกษาเข้าไปลมเข้าก็ศึกษาเข้าไป จนลมมันเรียบสนิทเกิดความรู้ขึ้นมาและปรากฏว่าร่างกายมันหยุดหายใจอีกครั้งหนึง่งถ้าร่างกายมันหยุดหายใจอีกครั้งหนึง่งเรียกว่าลมมันหยุดเราก็เอาความนิ่งที่มันไม่มีลมหายใจเคลื่อนนั้นแหละเป็นอารมณ์พวามรู Tri ้อยู่ตรงนั้นเมื่อลมหายใจมาเราก็แค่รู้ลมหายใจออกเมื่อลมหายใจเข้ามาเราก็แค่รู้ลมหายใจเข้า ถ้าลมหายใจมันยังหยุดต่อมีเจอภาวะลมหยุดเราก็คว้ารู้ลมหยุดนั้นค้ารู้ลมหยุดไม่ต้องให้จิตมีเจตนาสาหรับที่จะไปวิ่งหาลมหายใจพอจิตมันมีเจตนาวิ่งไปหาลมหายใจเมื่อใดมันก็จะสอยหาว่าลมหายใจไปไหนลมหายใจก็จะถูกบังคับเราก็จะได้ลมหยาบออกมาอีกครั้งหนึ่งถ้ามาเป็นอย่างนั้นเราอย่าไปรำคาญเราก็ดูเนื้อลมหายใจอีกจนกระทั่งมันเกิดความที่ ลมมันหยุดแล้วก็เอาอความหยุดนั่นแหละมาเป็นอารมณ์ของจิตจิตอยู่นิ่งๆกับความที่ลมหายใจมันหยุดรู้อยู่กับความที่ลมมันหยุดพอลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็ารู้ลมหายใจเข้าภาวะที่ลมหายใจหยุดก็รู้ลมหายใจหยุด แต่นี้ค่อยๆคลายจิตออกมาถ้าอยู่ที่ลมหยุดอยู่รู้ลมหยุดแล้วก็ถอยจิตออกมาสู่มือข้างขวาขายับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึกแล้วค่อย ๆ, ๆ, ๆเคลื่อนมือขวาช้าๆไปวางไว้ที่ขกข้างขวาจากนั้นยก จิตมาที่มือข้างซ้ายขยับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึกเคลื่อนมือซ้ายยกท่าชาวางไว้ที่เข่าข้างซ้ายยกจิตกลับมาบริเวณใบหน้าของตนและก็ประหุกหน้านิดหนึ่งลืมตาออกจากสมาธิเวลาเราลืมตาครั้งนี้เราก็จะสังเกตอะไรความนิ่งความนิ่งนี้คือความตั้งมั่นของจิต แต่ยังไม่ใช่สุสมาหิโตสำหรับบางคนนะมันแค่ความตั้งมั่นที่จิตไม่ได้เข้าไปสวยอารมณ์แต่มีสติจิตเป็นความนิ่งเป็นความวางเฉยแต่มีสติอยู่สติที่อยู่กับความเฉยนี่แหละเรียกว่าความตั้งมัน่นแต่มันไม่ใช่สุสมาหิโตสุสมาหิโตคือว่าตั้งมั่นดีแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่นเรียกว่าถึงอปปนาสมาธิ แถวตอนนี้ของพวกเราเป็นสมาหิตจิตของแต่ละคนเฉพาะแต่ละคนว่าเป็นอุเบกขาที่มีสติอยู่กับอุเบกขานั้นนั่นคือความตั้งมัน่นแล้วลองคิดดูว่าความตั้งมั่นของจิตในขณะที่เรามีอยู่เนี่ยมันมั่นคงแบบนี้มันจะบริสุทธิ์ใสนี่คือความใสของจิตมันจะต้องใสอย่างนี้ ซึ่งต่อไปถ้าเดินตำนําต่อไปอีกแต่เมื่อตะกี้มีบางคนที่เกิด mm. ก็อย่าไปตกใจ mm. เพราะว่าเมื่อจิตมันมีความนิ่งเป็นสหกเป็นอารมณ์ของจิตมันมาอาศัยความวิเวกนั้นมันก็เกิดเป็นปิติเกิด mm. เป็นความอิ่มเกิดเป็นความเย็นเกิดเป็นความอะไรต่างๆของเขาเกิดมาก็าาเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา เราก็คว้าแน่รู้ลมหายใจไปรู้ลมหายใจออกรู้ลมพอลมมันมาเราก็แค่รู้ลมไม่มาเราก็รู้ความนิ่งเวลาความนิ่งมาเป็นอารมณ์ของจิตแล้วเนี่ยลมหายใจก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องใส่ใจครับแต่ว่าในขณะที่เรารู้ความนิ่งอยู่อยู่กับความนิ่งนั่นแ่ะบริเวณเนี้ยอยู่ความนิ่งอยู่พอลมมันมาเราก็แค่รู้ลม ลมหายใจออกมาเราก็แค่รู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้ามาเราก็แค่รู้ลมหายใจเข้าแล้วถ้าพอลมหายใจไม่มาไม่ต้องตกใจนะถ้าเราตกใจพอลมหายใจมันหยุดแล้วเราตกใจลมหายใจหยาบก็จะมาไอลมหายใจที่ละเอียดละเอียดอยู่นั้นอ่ะมันหายไปแล้วจิตมันก็เปลี่ยนไปถ้าลมหายใจหยาบมาเราทําไงเราก็เหมือนลมแล้วลุกใหม่ เขไปศึกษาลมหายใจศึกษาศึกษาศึกษาจนละเอียดทุกครั้งที่เราน้อมจิตเข้าไปเพื่อศึกษาลมหายใจมันจะเกิดเป็นความรู้ความรู้เข้ามาเป็นผลที่จิตรู้จิตรู้ก็จะมีกําลังมีความละเอียดมีความกระจ่างมีความชัดเจนมีความประจักษ์แจ้งขึ้นมาเรื่อย ๆ, ๆจนจบในเรื่องของลมหายใจแ ล, ล้วลมหายใจมันหยุดร่างกายมันหยุดการหายใจ คือจิตรู้มันไปเห็นร่างกายหยุดการหายใจเหมือนที่เรานั่งฟังอยู่เนี่ยมันไม่ใช่หายใจตลอดเวลาเลร่างกายเราวางควังมันหยุดการหายใจนะมันไม่ได้หายใจนะที่ววงควังอยู่อ่ะเราไม่รู้ไงแต่จิตรู้ที่ฝึกมาอย่างละเอียดชัดเจนต่อลมหายใจแล้วมันเห็นร่างกายหยุดการหายใจตอนแรกเราเราอยู่กับลมหายใจออกอยู่กับลมหายใจเข้าพอเราศึกษา ในเนื้อลมหายใจออกในเนื้อลมหายใจเข้าไปเรื่อยๆความรู้มันเพิ่มขึ้นมันกมีความรู้มีกําลังขึ้นในที่สุดมันไม่ได้ไปกําหนดการหายใจมันเดินออกมาจากลมหายใจมันไม่ได้ไปกําหนดการหายใจเพราะมันไม่ได้ไปกําหนดการหายใจปรากฏว่าลมหายใจเป็นธรรมชาติของร่างกายมันเห็นลมหายใจออกเห็นลมหายใจเข้าแล้วอยู่ๆอ้าวลมหายใจหยุดคือร่างกายหยุดการหายใจ เป็นธรรมชาติอย่างนั้นแล้วจิตรู้เขาสามารถเห็นการหยุดของร่างกายหยุดการหายใจเห็นลมหยุดตอนนั้นน่ะคนปฏิบัติส่วนใหญ่จะตกใจพอตกใจปั๊บลมหยาบก็จะมาความที่ใจอยากจะอยู่กับลมหายใจก็จะมาสมาธิก็หายไปแต่เราทํำบ่อยๆทำบ่อยๆจนกระทั่งลมหยุดนั่นคืจิตมีความมีลมหยุดนั่นเป็นอารมณ์ อยูน่นนะพระเจ้าเรียกตรงนี้ว่าสัพภกายะปฏิสั่งเวทีอาศสิสามิติสิกติตอนที่เราศึกษาในเนื้อลมหายใจพอศึกษาไปศึกษามามันก็เกิดภาวะลมที่หยุดเรียกว่าอะไรปัดสัมพยังกายะสั้างขารังอาศสิสามิติสิกติคือเกิดกายสังขารรหับรลางานะคือลมหายใจมันหยุดนะภาวะที่จิตมันไปรู้ลมหายใจหยุดพระเจ้าเลยบอกให้ศึกษาภาวะที่ลมมันหยุด ศึกษาคือเฝ้ารู้ดูนิ่งนิ่งอยู่กับความที่ลมมันหยุดนั่นแน่แต่คราใดที่ลมหายใจร่างกายเขาหายใจลมออกมาก็รู้ลมหายใจเข้ามาก็รู้พอลมมันหยุดเราก็ศึกษาลมที่มันหยุดเนี้ยศึกษาไปเลยเลยความศึกษาตรงนั้นจบจนความนิ่งนั้นมันใสมาต่งหาทีนี้มันก็จะมีความอิ่มความสบายเนีย่ยมันก็จะเริ่มมามันจะเข้าไปสู่หมวดของเวทนาที่ ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นอย่าเป็นธรรมชาติง่ายๆแค่นี้แหละถ้าซื่อตรงต่อต่อต่อพระวิจารมันก็จะตรงไปเรื่อยเรื่อยเ่ไอ้วันนี้ก็ถึงตรงนี้ก็พอวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่บแปดเวลาไปถือเนสัตชิ ก, กังขะที่วัดก็ค่ อ, คอจะค่อยต่อเป็นหมดเป็นหมดไปแต่คนที่ยังไม่เข้าสู่สุดท้ายกยังอยู่ในขั้นแรกก็มันไม่ได้หมายความว่า ทำไม่ได้นะ ก, ก็ทาไปเรื่อยๆแต่ที่แน่ๆต้องทำต้องทำถ้าไม่ทำไม่ได้แะ mm hmm. ไอ้กำลังของอุเบกขาที่ปรากฏอยู่ตอนนี้ลองนึกดูสภาพขนาดนี้ถ้ามันเกิดความคิดชั่วๆขึ้นมาห้ามมันอยู่ไหมอำนาจเนี้ยห้ามมันอยู่เลยถ้าเกิดความคิดไม่ดีเกิดความเปนชั่วขึ้นมาความคิดมันจะห้ามมันอยู่ คือกำลังนี้มีเท่าไหร่สิ่งอกุสลกรรมที่เกิดอาคุกุศลละจิตที่เกิดอะ่ะก็จะโดนเบรกโดนโดนละได้ตามกำลังที่มีนี้ถ้ากำลังนี้ไม่มีต่อให้มีกำลังอื่นเยอะแยะมากมายแต่กำลังนี้ไม่มีมันเบรกไม่ได้อย่างนี้ตอนนี้ตอนนี้เดิอนออกอย่างนี้ไปเดินลงบันไดเจอแบงค์พัน ออกอย่างนี้ไปเดินบันไดก็ไม่มีกล้องวงจรปิดใดเลยเนี่ยเจอแบงพันมันแทบจะไม่มีอะไรลังเลเลยเนาะใช่ปะแทบจะไม่มีอะไรลังเลเลยที่จะหยิบขึ้นมาแล้วก็ไปรีบไปบอกไปถามไปหาเจ้าของอแต่าอจะเจอบึกหมื่น เจอปึกแสนก็ขึ้นอยู่กับกําลังของอุเบกขาที่มีนะมันมีความตั้งมั่นขนาดไหนแต่อย่ามาบอกตรงนี้ว่าไม่เอาเด็ดขาดต่อให้ตายก็ไม่เอาอย่างเพราะอากุศลเรามันจะเกิดแน่แต่มันจะดนละได้ด้วยด้วยกําลังของอุเบกขาที่มีตรงเนี้ที่มีอยู่เนี่ยบางคนไม่ต้องปฏิบัติเลยแต่ของเก่าเขาเยอะ เขามีกำลัง อ, อุปขาตรงนี้เยอะแล้วได้จากการเรียนการอ่านได้จากประสบการณ์เรียนรู้ชีวิตแต่ละช่วงเดอะช่วงมันก็จะมาส่งเสริมตรงนี้ทําให้พลังของตรงนี้ก็มีพอที่สําหรับที่จะไปต้านทานต่อข้อ น, นี้เกิดแต่ว่าในที่สุดมันก็ล้มลงไปเหมือนกันนะอืมเหมือนคนที่เรียนหนังสือจบใหม่ๆโอ้โหอุรมการ์เราจะต้องเป็นข้าราชการที่ชื่อสัตว์สุดจริต เขาไปทํางานหุบไฟแรงมากเลยเข้าไปถึงก็คนนี้ก็โกงคนนี้อ๋อคนโกงก็โกงโอ้โโกรธมากเลยนะอืมพอสักพักหนึ่งก็เป็นเพื่อนรักกันนะฮะพักเดียวเป็นเพื่อนรักกันเพราะว่านิ่งยิ่งกว่ากาลยนามิตรเป็นเพื่อนรักกับคนนี้เดี๋ยวก็มีรถเดี๋ยวก็มีเงิน <c oughs> เป็นเพืเ่อนรักกายคนนี้โอ้ยสายแหง <c oughs> มันอย่างนี้ถ้ากำลังของอุเบกขาไม่พอไม่สามารถที่จะต้านทานอากุศลที่เกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นทำไมต้ราจึงจาเป็นจะต้องฝึกฝึกเมื่อจิตนี้มีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ต่อไปยามที่เราไม่ได้มานั่งในรูปแบบแบบนี้อยู่ตามที่อยู่ที่ชีวิตประจำวันํามันจริงล้างบ้านถูบ้านลุงก้าวทางานบ้านอย่างเงี้ย หรือไปทํำใชจชีวิตยอยู่ก้างนอกมันก็มีช่วงจังหวะที่เราจะยกจิตกลับไปสู่ลมหายใจในขณะที่เราเดินในขณะที่เรานั่งในขณะที่เราขับรถในขณะที่เราทํางานก็สามารถที่จะทําได้หมดอันนั้นคืออะไรก็คือการต่อยอดการต่อยอดกําลังให้กับอุเบกขาตัวเนี้ยอันนี้เรื่องของการใช้ชีวิตที่ยกว่านิง่งพลังของความนิงน่งนิ่งจะยบความเคลื่อนไหว นิ่งตัวนี้นะมันจึงจะสะยบความเพื่อนไวจ้จริงๆนิ่งอื่นไม่ดีนิ่งแอบนิ่งหลบไม่ได้อ่ะตอนนี้พักสิบห้านาที